ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงการเจริญอ น, นิจจสัญญาใในบรรดาการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจใช่ซึ่งอริยสัจนั้นเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยชอบแล้ด้วยพระองค์เอง ถ้าตั้งคำถามว่าในสัญญาเจ็ดเนี่ยนะที่เจริญเนี่ยเป็นการเจริญเพื่อรู้แจ้งอริยศัสตร์หรือเปล่าเ ใ, ใช่ไหมคุณววลาวันลองว่าที่นั่นใช่ยังไงนนไหนไมไม่ไเฉพาะเนี้ยหัวข้อที่ตั้งไว้เนี้ ย, ย อ, อันนี้จะสัญญา ก็คือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของขันท่าอนัตตาสัญญาคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาของอายตนะ12อสุภาษสัญญาก็คือการพิจารณาอาการ32โดยความเป็นของปฏิกูลอาทีนวสัญญาเนี่ยก็คือการเจริญการพิจารณาโทษทั้งหลายของร่างกายท้ว่าให้ตรงก็คือการเจริญทุก ข, ขาริยาสัตว์นั่นเอง หือการเจริญการพิจารณาทุกขะอริยสัจโดยนัยต่างๆนะีอนนีจสัญญาอนัตตาสัญญาอสุภาษสัญญาอาทีนวสัญญาเนี่ยสประการนี้เป็นการพิจารณาทุกขะอริยสัจส่วนปหานาสัญญาก็คือเน้นละสมุทัยสัจเนี่ยนะวิราค้าสัญญาอนัตตาสัญญาคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาของอายตนะ12 อสุภาสัญญาก็คือการพิจารณาอาการ3าโดยความเป็นของปฏิกูลอาธีนวสัญญาเนี่ยก็คือการเจริญการพิจารณาโทษทั้งหลายของร่างกายถ้าว่าให้ตรงก็คือการเจริญทุกขาริยศสัตว์นั่นเองหรือการเจริญการพิจารณาทุกขาริยศสัตว์โดยนัยะต่างๆนะอนนี้จสัญญาอนัตตาสัญญาอาสุภาสัญญาอทีนวสัญญาเนี่ย สี่ประการนี้เป็นการพิจารณาทุกขาริยสัตว์ส่วนปหานาสัญญาก็คือเน้นละสมุทัยสัตว์เ น, นี่ยนะวิราค่าสัญญากับนิโรธสัญญาเป็นมรขาริยสัตว์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะได้เห็นภาพ สัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาเนี่ยเลยคือแทนที่จะใช้คาว่าปัญญาหรือวิปัสสนาก็ใช้คาว่าสัญญาแทนซึ่งสัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจําหมายเฉยเฉยสัญญาเจ็ดประการเนี่ยนะที่กล่าวถึงคือหนึ่งอันิจจสัญญาก็คือกล่าวถึงความไม่เที่ยงของขันธะ อย่างที่สองอนัตตสัญญาก็คือความเป็นอนัตตาของอายตนะสิบสองเนี่ยนะแล้วอสุภาสัญญาก็คืออาการสามสิบสองเนี่ยนะส่วนอาทีนวะสัญญาก็คือโรคเก้าสิบแปดเนี่ยนะ นอายตนา12อาการ32หรือโรคทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดนี้เป็นอะไรโดยสัจจะเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะข้อ 1, 2, สองเนี่ยข้อนี้หมายถึงเจริญปัญญาเพื่อพิจารณาทุกขาริยสัตว์นั่นเองส่วนปหานาสัญญา ปหารสัญญาหมายถึงละอากุศลวิตก3ามและอากุศลธรรมนะอันนี้ก็เท่ากับสมุทัยสัตว์เท่ากับสมุทัยสัตว์ส่วนข้อ6ข้อ7เนี่ยนะคือวิราคะสัญญา กับนิโรธาสัญญาเนี่ยนะสองอย่างนี้หมายถึงนิพพานเนี่ยนะท่านจึงเป็นมรรคสัตว์เนี่ยนะขอโทษอธิบายนิโรธเป็นมรรคได้มาตังกระชากเลยวันนี้ ยิบหนังสือผิดอยู่แล้วนะส่วนสัญญาหรือปัญญาตรงนี้เป็นอ่นนะเป็นกลุ่มมักขศัพท์เป็นกลุ่มมักแต่ยังไม่ใช่มักเนี่ยนะนะเพราะอะเพราะว่าสัญญาอันนี้พระพู้มีประภาคตรัสว่าเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยนะนะ ย่อมอย่างลงสู่มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากอย่างลงสู่อมะตะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นปัญญาอันนี้ถ้าเจริญให้บริบูรณ์ก็จะบรรลุถึงอริยมรรคเนี่ยนะท่านก็ให้เจริญสัญญาหรือเจริญปัญญาเนี่ยพิจารณาอริยสัจไว้ตั้งกันแรกๆให้มากๆอันนะนั้นการเจริญสัญญา ถ่าว่าตามสูตรจึงไม่ควรหยุดอยู่แค่สัญญาเดียวคือควรพิจารณาให้รอบๆทั้งทั้ง7สัญญาเนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาคือข้อปฏิบัติตรงนี้นะคือข้อปฏิบัติหรือที่เรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิปทาเนี่ยนะปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติในาศาสนานี้หรือตัวตัวที่เราเจริญขึ้นอาศัยคาสอน พระพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาที่พิจารณาขันธ์หน้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงอายตนะ12โดยความเป็นอนัตตาอาการ32มีผมเป็นต้นโดยความเป็นของปฏิกูลพิจารณากายทั้งหลายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยที่ประกอบไปด้วยโรคทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อพิจารณาหรือไค้ครวนหรือเจริญสัญญาแบบนี้มากๆชื่อว่าจิตเนี่ยน้อมไปพิจารณาทุกขสัต์นนะทุกขสัต์ ผู้ที่เจริญอ น, นิจจสัญญาในขันธ์ห้าอนัตตาสัญญาในอายตนะสิบสองหรือว่าอาสุภาสัญญาในอาการสาสบสองพิจารณาถึงโทษทั้งหลายที่มีอยู่โทษหมายถึงโรคทั้งหลายที่มีอยู่ในกายนี้ถ้าเจริญถูกต้องจะละอกุศลวิตกสามอย่างมีกามวิตกเป็นต้นนี่ยนะและจละอกุศลธรรมทั้งหลายได้น่นะ ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการเจริญอ น, นั้นซึ่งเป็นป h a r ะสัญญาป h ห r m สัญญาก็เน้นอะไรเน้นการพิจารณาเพื่อละสมุทัยสัจจะเนี่ยนะทีนี้การพิจารณาทุกสมุทัยจุดประสงค์เพื่อให้รู้แจ้งธรรมะที่สงบระงับสังขารสละคืนสังขารสละคืนอุปธิทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึง นิโรศสัตว์ผู้ที่เจริญสัญญาเจ็ประการก็คือการคิดถึงอริยสัตว์นั่นเองแต่ใช้วิธีแสดงอีกวิธีหนึ่งงั้นครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวเฉพาะอนิจจสัญญาไปเปิดหน้าเจอแล้วใช่ไหมที่ว่านี่เจอแล้วนะ แต่ว่าไปตั้งนั้นหน้ายังไม่เจอแย่เลยหน้าสามสิบห้าไหมข้อสี่ร้อยสี่สิบการพูดุนะคุณสนับกหานข้บอกว่าคุณสนันเพิ่งฟังอย่าเพิ่งถามฟังก่อนคุณสนันไปก่อนทกบ้านแล้วแล้วแล้วก็ประกาศว่าคนพูดยังไม่ได้ทำมา ทีนี้มาโดการพิจารณาอายตนะสิบสองบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงขันห้าใช่ไหมขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยง แต่อยากจะสรุปวิธีการพิจารณาขันท่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะที่กล่าวถึงรูปสัตตะกะและอารูปสัตตะกะย้อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคือการพิจารณาทั้งรูปทั้งนามหรือรูปหมายถึงรูปประขันนามหมายถึงนามขันสีที่เหลือเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ต่ออนัตตาสัญญาให้ชัดเจนขึ้น ที่จริงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวกันแต่วิธีการพิจารณาแตกต่างกันนี่นะตามอัธยาศัยนี่นะจโมทบอกว่าเทศนาวิราชบอกว่าผู้ที่เจริญหรือปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายโดยเฉพาะวิปัสนาเนี่ยนะ เมื่อมีความเข้าใจคำสอนดีสิ่งที่เขาควรสแสวงหาคือส ป, ปายะเนี่ยนะส ป, ปายะนั้นไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติแต่เป็นปัจจที่ที่ทำให้เกิดการปฏิบัติส ป, ปายะพูดแบบไทยแปบลบว่าสบายเนี่ยนะต้องไปหาความสบายว่า ง, งั้นเถอะแต่ความสบายในที่นี้ไม่ใช่สบายแบบไทย ถ้าสบายแบบไทยเนี่ยเน้นให้สุขเวทนาเกิดแต่คำว่าสบายในที่นี้แปลว่าความสบายที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ยนะซึ่งหมายถึงอะไรบ้างหนึ่งเสนาสะนะซึ่งแปลว่าที่อยู่เนี่ยนะที่อยู่ก็สำคัญสองเมื่อได้เสนาสะนะบุคคลที่นั่นด้วย อันนะเพราะว่าที่อยู่เนี่ยก็ต้องมีคนที่อยู่ที่นั้นด้วยนะก็บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่สามต่อไปเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอะไรจะเกิดการพูดเมื่อมีการพูดไอ้สิ่งที่พูดนี่คืออะไรธรรมะเนี่ยนะที่เหลือก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วว่าอุตุได้ไหมอันนนอริยาบท แล้วก็อาหารอีกอย่างหนึ่งนะนะส ป, ปายะเจ็ดนั่นหนึ่งสองามสี่ห้าหันถ้าผู้ที่ได้ส ป, ปายะ7ประการอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงเข้าใจคําสอนดีอยู่แล้วน ะ, ะเพราะว่าอาตมาเนี่ยสมัยเด็กๆมาเป็นเนนจะไปเที่ยวสแสวงหาแต่ส ป, ปายะ ธรรมะนี่มันคืออะไรไม่รู้แ่ะแต่รู้ว่าที่ไหนมันดีบ้างที่ไหนมันเงียบที่ไหนมันสงบที่ไหนแหมคนคุยถูกโคลกันอะไรกันนะไปสะแสวงหาแต่สัพพายะแต่ว่าถ้าได้สัพพายะแล้วจะไปทำอะไรก็จะไปนั่งเฉยเฉยแบงงั้นก็รู้อยู่เท่านั้นเลเพราะฉะนั้นสแสวงหาสัพพายะก่อนโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจคำสอนอะไรเลยแต่ที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาเข้าใจวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว จึงสแสวงหาสปายะคือที่อันเป็นที่สบายเนี่ยนะหรือความสบายทั้งหลายแหล่ั้งจากเสนาสนะบุคคลการพูดธรรมะอุตุอิรยาบทและอาหารเพื่อให้กุศลลสัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมากๆกเนี่ยน ะ, ะกุศลสัญญาเหล่านั้นโดยเฉพาะข้อแรกที่จะกล่าวถึงคืออนนี้จะสัญญาอันนี้จะ ส, สัญญานั้นก็คือการพิจารณาความไม่เที่ยงของของขันห้าที่ประกอบไปด้วย โรูประคันเนี่ยนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเนี่ยนะซึ่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอารูปนิยมเรียกกันว่านามเนี่ยนะก็คือรูปกับนามทีนี้ รูปกับนามนั้นมีวิธีพิจารณาโดยอาการอย่างละ7อย่างละเจ็ดสัตตกะแปลว่าหมวดละ7จดเนี่ยนะเรียกว่ารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะสัตตกะนี่แปลว่า7นะพิจารณารูป7 7วิธีพิจารณานาม7วิธีด้วยกัน เจ็ดวิธีนั่นก็คือ 1. อาธานะแบบไทยๆเนะเกิดตาย 2. ตามวัย 3. สามทำอะไรกรรมเนี่ น, นะก็สี่นะจิตก็หอุตุ ก, ก็ห อาหารก็เจ็ดธรรมดาน่ส่วนอารูปมีหนึ่งโดยยมกะโดยคู่คู่เนียนอไาเรียกว่าโดยอาการสองโดยอาการสี่โดยอาการสิบเนี่ย เย่อๆดีกว่าอาการสองอาการ4ี่อาการสบแล้วก็ละมานะทิฐิตันหานี่นะใช้ใช้อีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าเพิกเพิกตันหามานะทิฐิเนี่ยนะหายไปข้อหนึ่งหายไปข้อหนึ่งก็ไปเปิดเอาในข้างหลังตู้นู้นนีอยู่ ตัวนั้นแหละทมบรรณรักษ์ <c oughs> อ เ, าเอาออนนอทำได้ไหมละ่ะได้ค่ะถ้าเปิดรู้อาจดวมันเลวร้ายเลยไปเลย <c oughs> สาธุสาธุ <c oughs> เข้าใจเอาให้มันถ้าเข้าใจอย่างนั้นได้แล้วคิดว่าจะทำอย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยทีนี้ก่อนที่จะมากล่าวถึงไอ้คำว่าเกิดดับ ที่เรียกว่าอนิจจังเนี่ยนะควรจะพิจารณาโดยพบก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะเพราะว่าพุทธพจน์ ท, ที่อธิบายคำว่าเช่นสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยนะคำว่าไม่เที่ยงโดยทั่วไปอัตกถาทั้งอัตกาถาธรรมบททั้งอัตกถาปฏิสัมพิธามัชทั้งอัตกถาวิสุทธิมัชเนี่ยนะ แล้วก็คิดว่ายังมีที่อื่นอีกคือให้พิจารณาเริ่มแรกว่ารูปหรือขันที่มีอ่ะนะที่เคยมีในอดีตชาติมันก็หมดแล้วในอดีตชาติขันที่จะมีในชาติหน้าก็จะหมดในชาติหน้าขันที่มีอยู่ในชาตินี้ก็จะหมดไปในในชาตินี้นั่นเองเนะเพราะฉะนั้น อ, อันนี้ต้องคิดเอาไว้ให้ให้มองสามชาติไว้ก่อนนะ สรุปว่าชาติที่แล้วตายหมดแล้วชาติที่แล้วชาตินี้ก็ตายหมดชาตินี้ชาติหน้ามันก็ตายหมดชาติหน้ามันเกิดอีกก็ตายหมดอีกชาตินั้นอีกเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่เที่ยงก่อนนะทีนี้ย่อมาอดีตชาติที่ผ่านมาไม่ละเอาไว้อนาคตชาติที่ยังไม่มาถึงก็ละเอาไว้พูดเฉพาะชาตินี้ก่อนตัวที่เป็นชาตินี้คือตั้งแต่เกิดหมายถึงปฏิสนธิ กับตอนตายคือจุติเนี่ยนะนะไอระหว่างเกิดกับระหว่างตายเนี่ยนะยังไงมันก็อยู่เท่านี้แหละชีวิตเนี่ยนะนะถามว่าไอระหว่างเกิดกับระหว่างตายนี่ควรจะกี่ปีก็คํานวณไปตามนั่นแหละมีอุบาศกคนหนึ่งเนี่ยร้องไห้ลูกเขาหนุมลูกเขาเป็นหนุ่มก็ตายเนี่ยนะเนะสียใจายอยู่เจวันพระพุทธเจ้าก็ไปปลอบใจเนี่ยนะเนะสร็จแล้วก็เวลาพระพุทธเจ้าเทศไปนะ ว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกมันก็ต้องตายอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วอ่ะที่จะไม่ตายไม่มีหรอกเหมือนกับผลไม้ที่มันสุกแล้ว่นะเช้ามามันก็ร่วงภาชนะดินที่ปั้นมาแล้วมันก็ต้องแตกนะสัตว์ทั้งหลายมันก็ตายเช่นนั้นนั่นแหละนะถ้าเกิดนึกแย้งในใจบอกข้าพระ อ, องค์รู้แล้วว่าตายแต่ว่าลูกข้าพระ อ, องค์นี่ยังหนุ่มนักน่าจะตายตอนที่คือคือว่าตอนนี้เขายังหนุ่มไม่น่าจะเพิ่งตายรีบตายเลยพระ อ, องค์ก็บอกว่า ไม่ตายช่วงนี้ไม่เกินร้อยปีมันก็ตายอีกอยู่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปว่าตายหมดเหมือนกันนะการพิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่าพิจารณาโดยอาธานานิเขปะระหว่างเกิดไปหาตายว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีพระะนันคําว่าตายนั่นแหละคือคําว่าไม่เที่ยงเห็นไหมอันอย่างนี้นะว่าบางคนจะแย้งขึ้นมาว่าเอาการพิจารณาห ย, ยาบๆแบบนี้ใครก็รู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องมาพิจารณาไม่ต้องมาอะไรก็ได้เนี่ยนะก็ก็รู้ๆกันอยู่แล้วหรืออีกอย่างนั้นอันนั้นมันหยาบเกินไปว่ากั้นเถอะที่จะมาพิจารณาอันนะัถ้าบางท่านนึกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคือที่จริงแล้วต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์ของของคําสอนเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนวิชานี้หรือสอนคําสอนอันนี้ขึ้นเพื่ออะไรเนี่ยนะเพื่อให้ละคลายอนนะไร เนี่ยเพิกมานะทิฏฐิตันหาหรือตันหามานะทิฏฐินี่แหละเพื่อละตันหามานะทิฏฐิเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบหยาบหยาบอย่างเงี้ยถามว่าก่อให้เกิดสังเวทไหมเนี่ยนกับถ้ามาพิจารณาทันทีเลยนะละเอียบยิบโอ้โหพยับแดกระยิบประยับประยิบประยับกับคิดถึงว่าหยาบหยาเลยนะคนอะตายเกิดมาแล้วตายหมดกับนั่งคิดพยับแดกระยิบประยับอันไหนจะสังเวทกันเนี่งนะ เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงอะไรที่มันก่อให้เกิดสังเวกวัตถุเพื่อกำจัดฉันทราคะเพื่อจะละมานะก็จะพูดในส่วนเหล่านั้ น, น, นก่อนเนี่ย น, นะเรียกว่าก่อนที่จะมาซอยละเอียดยิบอนูแหมเนี่ยตั้งแต่เห็นอ ย, อยากได้ยินนี่คะันแล้วนะอะไรเนี่ยที่จะมาหยาบขนาดนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเรียกว่าให้มองแบบห ย, ยาบๆก่อนให้เห็นชัดเนี่ย น, นะนสรุปว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีนั้น เมื่อมีเกิดก็คือมีเบื้องต้นตายก็ถือว่าเป็นที่สุดอันนี้ถือว่าความไม่เที่ยงเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไปอีกไอความไม่เที่ยงอันนี้มันไม่ใช่แค่จากเกิดไปหาตายเท่านั้นนะก็มาแบ่งตามตามวัยใช่มตามวัยอย่างชุดแรกก็ถ้าพูดเต็มยศเลยนะมีอายุร้อยปีเนี่ยนะก็มาแบ่งเป็นสามวัยปฐมวัยไม่ถึง มัชชิมวัยมัชชิมไวัยไม่ถึงปัจฉิมวัยเพราะฉะนั้นแต่ละวัยก็จะศูนย์สิ้นหรือหมดไปในวัยนั้นๆันั่นแหละเนี่ยนะวัยแรกปฐ ม, มวัยเนี่ยนะก็หมดในปฐ ม, มไวัยไม่ถึงมัชชิมวัยเลยมัชชิมวัยก็ไม่ถึงปัจฉิมวัยเนี่ยนะอย่าง ท, ที่ต่อไปอีกก็คือตามตามอะไรทุกๆ10ปีเนี่ยนะ สิบปีแรกถึงสิบปีที่สองไหมเนี่ยนะแต่ละสมมวลว่าตอนเรียนประถมไม่ถึงมัธยมถึง i, ตอนที่เรียนมัธยมก็ไม่ถึงเรียนปริญญาตอนจบเรียนปริญญาก็ไม่ถึง şa, ทํางานไอตอนทํางานก็ไม่ได้ถึงเกษียณไอตอนเกษียณก็ก็หมดตอนเกษียณนี่แหละเพราะไม่เพราะหลังเกษียณโดยมากก็อะไรก็เกิดใหม่นั่นไงเนี่ยนะก็ก็ไปหมดอยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้นมันก็หมดหมดหมดหมดหมดอยู่ตามนั้นอ่ะไม่มีเหลืออยู่แล้ว เนี่ยนะถ้าว่าตามวัยอ่ะนะก็หมดไปตามวัยอันนี้แต่ว่าละเอียดก็ว่าสิบปีหรือว่าทุกๆห้าปียังไนะย่อชีวิตมาเหลืออีกทุกๆห้าปีใช่ไหมทุกหปีหปีแรกก็ไม่ถึง5ปีที่2 5หปีที่2ก็ไม่ถึง5ปีที่3มเนี่ยนะไอ้มันหมดไปตามนั้นแหละหมดไปทุกๆ5ปีอ่ะนะอันนี้มองแบบหยาบลงมาอีกถ้าละเอียดลงไปกว่านั้นอีกก็ทุกๆ4ปีเนีย่ยนะ ยาละเอียดลงไปกว่านั้นอีกทุกๆสองปีละเอียดไปกว่านั้นอีกทุกๆปีแต่ละปีนะปีนะใครเคยเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึกทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีไว้บ้างเนี่ยนะอันนี้ไม่อันนั้นไม่ได้พูดเพื่อจะหมิ่นนะแต่กล่าวถึงว่าสมเด็จย่าเนี่ยจะพาในหลวงเนี่ยไปถ่ายรูปไว้ทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีตั้งกต่เด็กๆเลยนะก็จะพาไป พอถึงครบปีก็จะเข้าไปร้านถ่ายรูป น, นะก็จะเก็บภาพในหลวงไว้ทุกๆตลอดเลยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดเอาภาพเหล่านั้นมาเปรียบนะสมมติถ้าของเราทั้งหลายถ้าเอาภาพเหล่านั้นมาเปรียบนะทุกๆปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนบุคคลนัตปีใหม่ปีที่แล้วก็ปีใหม่ปีนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะนะหมายความว่าสดชื่นลดลงหรือว่ายังไง ลดลดไปเยอะเลยนะจนวันปีเดียวนะในภายในหนึ่งปีนี้ลดให้เห็นเยอะทีนี้ถ้าต่อไปนะมันจะลดอีกทุกๆุสามเดือนเออทุกๆุสามเดือนนะ่จะลดอีกแะสังเกตลงไปอีกนะอันนี้ เ, เรียกว่าตามฤดูกาลนะฤดูหนาวก็ไม่ถึงฤดู ร, อร้อนฤดูร้อนก็ไม่ถึงฤดูฝนฤดูฝนก็ไม่ถึงฤดูหนาวนะประสิทธิภาพหมดไปทุกทุก4เดือนนะนะสามสามฤดูนะ 3, 3, นะก็คือสเดือน เพราะฉะนั้นทุกๆ4เดือนนี่เปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยนะแล้วถ้าลองละเอียดมาก็ทุกๆสองเดือนเนี่ยนะทุกๆสองเดือนนี่ก็จะลดลงมาละเอียดลงมาเอก็ทุกๆเนี่ยนะข้างขึ้นข้างแรมก็คือทุกๆสิบห้าวันทุกๆปักะนะสิบห้าวันเนี่ยนะ ถ้าพูดแบบผล ง, งานก็ทุกๆวิกเลยนะเปลี่ยนนะวิกก่อนที่เบิกสตังค์ไปใช้หมดก็ถึงวิกหลังมาเอกก็ น, นะก็ทุกๆวิกนะหมดเลยแต่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าทุกๆปักเขาเรียกข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นข้างแรงเนี่ยนะทุกๆ15้าวันหมดถ้าใครที่สังเกตนะเอ๊ตอนที่รักษาอุโบสถครั้งที่แล้ววันพระที่แล้วกับอุโบสถพระหลังเนี่ยมันต่างกันยังไงนะก็สังเกตดูนะถ้าลงมาละเอียดไปกับนั้นอีกอะไร กลางคืนกับกลางวันหรือเอาแต่ละวันก็ได้ถ้าแบบก็หยาบมาก็เอาทุกสัปดาห์นะแต่ละวันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละวันแต่ละวันไปแต่ละเอียดลงไปก็นั้นอีกก็วันกับกับกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะมันก็หมดนะกลางวันก็ไม่ถึงกลางคืนนะชีวิตในตอนกลางวันก็ไม่ถึงกลางคืนที่ถ้าลดลงไปอีกก็แบ่งออกเป็นเช้ากลางวันเช้ากลางวันเย็น หัวค่ำหัวค่ากลางดึกใกล้รุ่งเนี่ยนะก็แบ่งเป็น6อ่ะนะยี่บสี่ชั่วโมงหารหเท่ากับทุกๆ4สี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าหมดทุกๆ4สี่ชั่วโมงเลยนะถ้าลงมาละเอียดไปกว่านั้นอีกก็ทุกๆอะไรอ่าก็ตามฐานะเจ็ดอย่างอ่ะนะเช่นอ่ไปกับมาตอนแลกับตอนเหลียวตอนคกกับตอนเหยียดอ่ะนะ ถ้าละเอียดไปกว่า น, นั้นอีกก็ตอนยกย่างย้ายย่อนเหยียบยันเนี่ยนะก็ค่อยๆหมดทุกๆอาการนั้นมันหมดไปตามนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ว่าอาการปฏิบัติไม่ใช่ขึ้นต้นมาก็เนี่ยยกย่างเหยียบย้ายยันแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตาขึ้นพรวดมาอย่างนี้ไม่รู้ภาษาอย่างอื่นเลยไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าพิจารณาอย่างอื่นมาอย่างรอบคอบแล้วมาไข้ครัวตามเนี่ยไปจนถึงโดยลําดับเขาบอกว่าตอนยกก็ไม่ถึง น, นะตอนยกก็ไม่ถึงตอนย่างตอนย่างก็ไม่ถึงตอนย้ายอันนี้นะถ้าไปเดินบางที่มันต้องย้ายใช่ไหเพราะมันเหยียบไปเลยไม่ได้แล้วก็ย้ายเท้าเพื่อที่จะได้เหยียบแล้วก็ตอนย้ายก็ไม่ถึงตอนหย่อนตอนหย่อนก็ไม่ถึงตอนวางเหยียบเนี่ยนะตอนเหยียบก็ไม่ถึงยันเพื่อที่จะผลักให้อีกข้างหนึ่งยกขึ้นต่อไปอีกต่อไปได้ เพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหลายก็หมดไปตามนั้นๆๆๆเนี่ยนะก็คือจากมีแล้วไม่มีอ่ะนะคือเออขออภัยจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็ก็หมดไปเนี่ยนะธาทั้งหลายก็สิ้นแล้วก็สลายไปตามระยะนั้นๆเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยข้อ2ตามไว้ ทีนี้ข้อสพิจารณากรรมัชรูปอ่ากำมัชรูปคืออะไรคือรูปที่เกิดจากกรรมในกายนี้ตรงเลยหน้าตาเกิดจากกรรมหูเกิดจากกรรมจมูกเกิดจากกรรมลิ้นเกิดจากกรรมตัวกายภาษาถ้เกิดจากกรรมหัยะเกิดจากกรรมภาวะรูปเกิดจากกรรมเนี่ยนะผอ่าชีวิตินทรีย์พวกนี้ก็เกิดจากกรรมถ้าว่าแบบคร่าวๆก่อนเช่น ตอนตาเห็นก็ไม่ถึงหูได้ยินวันตามันก็หมดตอนเห็นนั่นแหละมันยังไม่เลยไปถึงได้ยินหรอกตอนได้ยินมันก็หมดตอนได้ยินนั่นแหละมันไม่ไม่หมดเออมันไม่ไปถึงตอนรู้กลิ่นไอตอนรู้กลิ่นก็หมดตอนรู้กลิ่นไม่หมดถึงตอนรู้รสไอตอนรู้รสก็หมดรู้รสไม่ให้ถึงการรู้รับกระทบผละพะเพราะนันก็ถือว่ารู้แต่ละทวารทวารไหนรับรู้ก่อนหมดก่อนทวารไหนรับรู้หลังก็กาลังกาลังหมด ทวารไหนที่จักรรับรับรู้ต่อไปก็จักหมดต่อไปมันสรุปแล้วไม่มีเหลือเลยเนี่ยนะก็จากเห็นไปได้ยินเนี่ยนะแต่และทวารเนี่ยทำลายมาหมดเลยมั้นก็จะเปลี่ยนไปจะมีแต่และช่วงแต่และช่วงก็หมดไปหมดไปหมดไปอันนี้รูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าว่าโดยกรร ม, มสมุทฐานเป็นอย่างนั้นเอ่อที่กล่าวแบบนี้เนี่ยนะหมายถึงคนที่รู้เรื่องกรรม12มาเป็นอย่างดีแล้วนะ เนี่ยว่าไอ้อกรรมมชรูปเหล่านี้มันอะไรเป็นชนะ ก, กรรมอะไรเป็นอุปธัมพกรรมอะไรเป็นอุปปรีระ ก, กรรมอะไรเป็นอุปคาตกรรมอะไรเนี่ยคือไอ้เรื่องนั้นเนี่ยถือว่ารู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วค่อยมามากล่าวอย่างที่ว่านะ